ท่านอาจารย์มั่นล่วงรู้วาระจิตท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังว่าเมื่อครั้งไปอยู่กับท่านอาจารย์มั่นนั้นจิตของท่านเคยคิดไปว่าท่านอาจารย์มั่นจะสามารถทราบวาระจิตของท่าน ได้หรือไม่หนอจากนั้นไม่นานท่านได้ขึ้นไปกราบพระประธานที่ศาลาเห็นท่านอาจารย์มั่นกำลังเย็บผ้าอยู่จึงได้คลานเข้าไปเพื่อจะกราบขอโอกาสช่วยเย็บให้ขณะนั้นเองท่านอาจารย์มั่นแสดงอาการแปลกกว่าทุกครั้งที่เคยเป็นมา โดยจ้องมองมาที่ท่านอย่างดุดุพร้อมกับปัดมือห้ามแล้วพูดขึ้นว่าหึอยามายุ่งในตอนนั้นท่านคิดในใจว่าโอ้ยตายกูตายและหลังจากเงียบไปพักหนึ่งท่านอาจารย์มั่น ก็กล่าวต่อว่าธรรมดาการภาวนากรรมฐานก็ต้องดูหัวใจตัวเองดูหัวใจตัวเองมันคิดเรื่องอะไรอะไรก็ต้องดูหัวใจตัวเองสิผู้ภาวนาอันนี้จะให้คนอื่นมาดูให้รู้ให้กรรมฐานบ้าอะไร จึงเป็นอันรู้เหตุรู้ผลชัดเจนทันทีว่าที่ท่านอาจารย์มั่นแสดงปฏิกริยาดังกล่าวขึ้นเช่นนี้ก็เพราะความคิดสงสัยของท่านนั่นเองคราวนี้ท่านถึงกับหมอบราบในใจอย่างสุดซึ้งว่ายอมแล้วยอมแล้วคราวนี้ขออ่อนขอยอมแล้ว หลังจากนั้นท่านจึงได้กราบขอโอกาสเข้าช่วยเย็บผ้าอีกครั้งหนึ่งคราวนี้องค์ท่านก็ไม่ได้ดุหรือห้ามอะไรอีกเพราะทราบดีว่าลูกศิษย์ผู้นี้ได้ยอมแล้วอย่างสนิทใจ